ส, สัมหัสสยองเงาดำก่อนถึงแยกพัฒนาการเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นผมได้มาทำงานพิเศษเป็นดีเจเปิดแผ่นให้กับร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ และมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังจําได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่ า, วาแล้วผมก็หยิบแผ่นเพลงสุดท้ายยัดเข้าเครื่องพร้อมกับล่ำลาแขกโตสุดท้ายเช่นกันหลังจากออกมาก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านระยะทางที่กลับบ้านจากซอยสนามแดงเทพารักไปรามคำแหง24 มันค่อนข้างเปรี่ยวและไกลพอดูเลยทีเดียวแท็กซี่ก็ขับมาเรื่อยๆทางเส้นสีนักครินพอมาถึงช่วงตึกโมเดิลฟอร์มไฟถนนเป็นสีส้มสลัวๆพอจะทำให้มองเห็นเงาคนหลายคนยืนกันอยู่แถวเกาะกลางถนนในสมัยนั้นเกาะกลางถนนก็ยังเป็นท้องร่องหญ้ารกๆแต่มีสะพานไม้กระดานเล็กๆ ให้พอเดินข้ามถนนได้อยู่ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าคนพวกนี้คงมารอข้ามถนนพอรถขับมาถึงตรงที่เห็นเงาคนก็เกิดการชนอย่างแรงเสียงดังจนตัวผมกระเด็นกระดอนหัวสั่นหัวครอนอยู่ภายในรถมันชนแรงมากๆ ผมตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เห็นมีอะไรผ่านหน้ารถเลยสักอย่างแท็กซี่ก็รีบเหยียบคันเร่งไม่ยอมเบรกไม่ยอมจอดพอผมได้สติจึงหันกลับไปมองกระจกหลังก็เห็นเงาคนเหล่านั้นมาเดินกันกลางถนนเต็มไปหมดคนขับแท็กซี่ก็ขับมาเรื่อยๆจนมาติดไฟแดงตรงแยกพัฒนาการ แล้วเขาก็เปิดประตูออกไปกม้กมๆเงยๆดูที่หน้ารถเสร็จแล้วก็กลับเข้ามานั่งในรถไม่พูดไม่จาผมรู้สึกสงสัยและทนไม่ได้เลยถามไปว่าชนอะไรไหมเขาก็ตอบว่าไม่มีรอยอะไรเลยพอมาคิดดูแล้วจากเสียงที่ชนมันดังมากจนตัวกระเด้งกระดอน แต่กลับไม่มีรอยอะไรเลยผมจึงถามไปคำหนึ่งว่าใช่คนไหมเขาตอบกลับมาว่าไม่ใช่ผมเลยไม่จอดไงแล้วเราสองคนก็นั่งเงียบสักพักคนขับแท็กซี่ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนผมเจอบ่อยยิ่งสมัยรถแก๊สระเบิดใหม่ๆผมเจอประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งมายืนบกรถ ผมก็รับขึ้นมาเพราะขับไปได้สักพักอยูย่ๆก็หายไปเลยพวกนี้อย่าลืมไปทำบุญด้วยนะและนั่นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผมไปทำงานเปิดแผ่นให้ร้านคาราโอเกะเจอดีที่ทำงานใหม่ตำแหน่งที่ผมทำ จะเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียกบัตเลอร์บางที่เรียกวินล่าโฮสหรือรีสอร์ทโฮสแล้วแต่โรงแรมนั้นๆจะเรียกปกติแขกที่พักที่นี่จะได้วินล่าโฮสทุกวินลา่าแขกที่เข้าพักในแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสขึ้นมาแล้วว่าใครเป็นคนดูแลวันนั้น แขกที่ผมดูแลเป็นแขกมาฮันนีมูนซึ่งจะได้วา f ฟรีลท์โฮสต์ต้องจัดเตรียมให้แขกก่อนมาถึงรีสอร์ทที่นี่ออกแนวป่าต้นไม้เยอะและตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางพาราด้วยตอนนั้นเป็นเวลาสามทุมผมรู้ว่าแขกจะมาเช็คอินดึกซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ผมเลิกงานตอนสี่ทุ่มก็เลยตั้งใจไ้ว่า จะาวายมาจัดเตรียมไว้ในตัววิลล่าก่อนเลิกงานโซนวิลล่าของแขกที่จะมาแบ่งเป็นสองโซนโซนติดกับป่าและโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทซึ่งสองโซนนี้ถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตียเต้ยๆและข้ามไปฝั่งหนึ่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจที่จะไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่า ซึ่งวิน ล, ล่าอยู่โซนนั้นเพราะทางมืดและเล็กตอนนั้นผมยังขับไม่คล่องด้วยทั้งยังไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยซ้ำก็เลยขับบักกี้ไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปมือข้างหนึ่งกดหน้าจอมือถือแขนข้างหนึ่งก็อบทั้งวายวเลยต้องเดินช้าๆเพราะกลัวของตก แต่พอเดินบนสะพานก็รู้สึกว่าสะพานมันแว่งแรงมาก ท, ท, ทั้งที่ผมเดินช้าผมก็เลยหันหลังกลับไปมองกาดจะแซวคนข้างหลังว่าทาไมเดินแรงจังเพราะคิดว่ามีพนักงานคนอื่นเดินตามหลังมาแต่พอหันหลังกลับไปก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่ ตอนนั้นผมตกใจมากรีบหันหน้ากลับมาแล้วก็คิดว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกคราวนี้ผมรีบซอยเท้าเดินไปวินล่าที่อยู่ตรงหัวมุมสะพานนี้อยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาขึ้นต้องก้าวขึ้นบันไดห้าหกขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นระดับสายตาของผม ก็มองเห็นที่ช่องว่างใต้บันไดผมเห็นเงาดําๆลักษณะเหมือนนั่งกุมเข่าอยู่ความรู้สึกในตอนนั้นใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเลยรีบเร่งปีเท้าเดินไปที่วินล่าเพราะเข้าไปในวินล่าและเซจอะไรเสร็จเรียบร้อยด้วยความมืดเงียบและความกลัวมันทําให้ผมไม่กล้าเดินกลับ ซึ่งต้องผ่านเส้นทางเดิมนั้นอีกผมเลยโทรให้เพื่อนที่ฟอนมารับแล้วรออยู่ในวิลล่าหลังยกวางสายไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นแต่ไม่มีเสียงเรียกใดๆจากเพื่อนผมผมจึงมองจากประตูผ่านตามแมวออกไปยังด้านนอก ตอนนั้นน้ำตาผมเริ่มไหลออกมาแล้วเพราะผมคิดว่าผีหลอกเข้าแล้วจริงๆได้แต่อุทานออกมาว่าอีดอกสักพักนางก็เรียกชื่อผมแล้วบอกว่าชั้นเองตอนนั้นผมก็ใจชื้นขึ้นมามาจึงเปิดประตูออกไปก็เห็นว่านางยืนอยู่ข้างๆประตูผมจึงส่องตาแมวออกไปแล้วไม่เห็น หลังจากนั้นผมก็ส่งข้อความเข้ากลุ่มของแผนกว่าจะไม่มาวิลล่านี้แล้วน่ากลัวมากแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อหลายวันถัดมาผมกำลังจะกลับบ้านตอนสี่ทุมก็ได้เจอพี่ ร, ปรอปภของรีสอร์ทที่เดินสำรวจความเรียบร้อยตามจุดต่างๆจึงถามเขาว่าปกติแล้วเขาเดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่า ดึกๆเดิดนๆแบบนี้ไม่กลัวผีเหรอเขาก็ตอบมาว่ากลัวสิแต่มันต้องทำยิงตรงหัวโค้งวิลล่านั่นนะ่ะแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากรีดยางโดนฆ่าข่มขืนคนมักจะโดนหลอกกันอยู่บ่อยๆซึ่งตรงจุดนั้นมันเป็นที่ที่ผมเจอเงาในวันนั้นนั่นเองก่อนเข้างานวันถัดมาปกติแล้ว ผมจะไปกินข้าวที่แคนทีนของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบก็เลยออกไปกินร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ทแล้วผมก็แอ บ, บถามป้าแมคค้าว่าแถวนี้มีคนเคยโดนข่มขืนอะไรไหมป้าเขาก็บอกว่ามีแต่มันหลายปีมาแล้ว มีผู้หญิงโดนข่มขืนตอนไปกรีดยางแล้วโดนฆ่าเอาศพใส่กระสอบปุ๋ยตอนพากระสอบออกมาก็เห็นสภาพเขาเหมือนคนนั่งกอดเขาอยู่น่าสงสารมากเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเพราะป้าเขาพูดมาแบบนั้นผมก็คิดว่าตัวเองโดนแล้วจริงๆแล้วผม ก็ไม่กลับไปขับบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ตอีกเลยแฮหลอนถ้ำลั่นทมเขื่อนศรีนครินช่วงหน้าร้อนประมาณปลายเดือนเมษายนเมื่อสามปีก่อนมนได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำลั่นทม ใต้เขื่อนสีนักครินวันแรกที่ไปถึงก็เช่าแพรซึ่งสามารถล่องไปได้เรื่อยๆจะค้างคืนหรือไปเช้าเย็นกลับก็ได้เจ้าของแพรได้เตรียมแพรให้มนเป็นแพรสองชั้นข้างบนมีหนึ่งห้องนอนข้างล่างก็มีที่นั่งมีคาราโอเกะปกติเหมือนแพรทั่วๆไปพวกเราไปกัน20สบกว่าคน เราเลือกเช่าสองวันหนึ่งคืนพอพวกเราเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยประมาณสี่โมงเย็นเจ้าของก็ลากแพรเราไปอยู่จุดจุดหนึ่งของเขื่อนไปถึงตอนประมาณสี่โมงกว่ า, กวาเกือบห้าโมงตอนนั้นก็เกือบมืดแล้วมนก็มองดูรอบๆมันมืดมากไม่มีแพรลำอื่นเลยแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร พอเริ่มมืดพวกเราก็ร้องคาราเกะกันเวลาผ่านไปจนห้าทุ่มกว่าแล้วมนกับเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำแต่เพื่อนมนสังเกตเห็นชูชีพสีส้มสะท้อนแสงลอยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันกำลังลอยผ่านแพ้ของมนไปพวกเรารีบวิ่งไปบอกเพื่อนคนอื่ น, นให้มาดูว่าเห็นเหมือนกันไหม ทุกคนบอกเห็นเหมือนกันหมดแล้วมันก็ลอยม า, กายใกล้ๆแพรของพวกเราแต่พอดูที่ชูชีพนั้นก็พบว่ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นพวกเราสงสัยว่ามันมาจากไหนตอนแรกที่เรามามันก็ไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยแล้วชูชีพมันก็ลอยเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยและมัน ลอยตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนมีจุดหมายอะไรสักอย่างมนกับเพื่อนเลยเอาไฟใช้ส่องตามไปเรื่อยๆแต่มันก็หายไปแล้วพอส่องดูรอบๆก็ไม่เห็นมีพอหากันไม่เจอประกอบกับว่าตอนนั้นก็ดึกแล้วมนกับเพื่อนเลยขึ้นไปนอนรวมกันข้างบนพอนอนไปได้สักพัก มนก็หลับไปแต่เพื่อนมนเป็นคนหลับยากตอนนั้นน่าจะตีหนึ่งตีสองแล้วเพื่อนมนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนแพมีคนเดินอยู่ข้างล่างก็เลยตะโกนเรียกไปว่าใครอยู่ข้างล่างจะได้ให้มานั่งเป็นเพื่อนมันหน่อยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆพร้อมกับเสียงคนเดินนั้นก็หายไป เพื่อนมนเลยคิดว่าอาจจะคิดไปเองก็เลยล้มตัวลงนอนหลังจากปิดไฟอะไรหมดแล้วและกำลังจะเคลิ้มหลับก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเหยียบผ้าห่มที่ปลายเท้าเลยเอาไฟจากในมือถือส่องดูก็เห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ตอนนั้นเพื่อนมนตกใจมากทำอะไรไม่ถูกพยายามขมตาเพื่อจะหลับไป พอเช้ามามนก็เห็นผ้าห่มเพื่อนมนอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นมนนึกว่ามันคงละเมอที่ผ้าห่มออกไปแต่เปล่าเลยมันมาเล่าให้มนฟังทีหลังว่าระหว่างที่พยายามจะหลับผ้าห่มที่ห่มอยู่ก็ค่อยๆหลุดจากตัวมันแล้วมันก็ร้องไห้ด้วยความกลัวจนหลับไป หลังจากที่มันร้องไห้จนหลับมันก็ฝันว่ามีคนแก่ผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากเขาซึ่งเขานั้นอยู่ใกล้กับแพรของพวกเราที่จอดอยู่จริงแล้วชายแก่คนนั้นก็บอกเพื่อนมนว่าหนาวหนาวหนาวพูดอย่างนั้นซ้ำๆเพื่อนมนบอกว่าภาพในฝัน ลุงคนนั้นไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่หน้าซีดปากซีดโซมเหมือนคนจมน้ำตายจากนั้นลุงก็ค่อยๆหายไปหลังจากเพื่อนมนเล่าจบมนก็ตกใจเหมือนกันแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือเช้า ว, วันนั้นพอลงมาข้างล่างแพรเพื่อนมนก็กระโดดเล่นน้ำกัน เพราะเจ้าของแพจะมารับตอนเที่ยงก็เลยรีบเล่นน้ำกันก่อนกลับพอเล่นเสร็จแล้วเพื่อนมนคนเดิมก็ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำแล้วก็เห็นจูชีพสีส้มสะท้อนแสงติดอยู่ตรงกิ่งไม้หลังห้องน้ำซึ่งเป็นที่ที่เดียวกับที่เห็นว่ามันลอยมาเมื่อคืนเมื่อนำเรื่องมาประติดประต่อกันดูแล้วก็พบว่า มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันมนจึงคิดว่าน่าจะมีลุงคนหนึ่งมาเล่นน้ำแล้วเกิดหลุดออกจากชูชีพลุงแกว่ายน้ำไม่เป็นจึงจมน้ำลงไปและสิ่งที่ทำให้มนมั่นใจมากขึ้นก็คือหลังจากที่พวกเรากลับจากไปเที่ยวกันเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปีแล้ววันที่เจ็ดพฤษภาคม 2,559 ก็มีข่าวเกี่ยวกับการค้นหาศพโดยกู้ภัยได้ดำน้ำลงไปค้นหาศพในเขื่อนแห่งนี้แล้วเจอศพแต่เอาขึ้นมาไม่ได้เพราะติดกิ่งไม้เยอะมากเลยต้องปล่อยศพลงไปที่เดิมแล้วกลับขึ้นมาตั้งหลักกันใหม่แต่ตอนที่กู้ภัยปล่อยศพนั้นไฟฉายดันตกลงไปด้วย และสิ่งที่เห็นนั้นก็เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งกําลังมองขึ้นมาจากใต้น้ำตรงที่ที่ศพนั้นอยู่เรื่องนี้มันทำให้มนหลอนมากมันเหมือนกันจนหน้าแปลกใจเรื่องที่มนมาเล่านี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่จิตศรัทธามนไม่มีเจตนาจะไม่เคารพศพในข่าวนี้และมนก็ต้องขอโทษด้วย ถ้าทำอะไรผิดไป ส, สัมผัสสยอง